พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าจังหวะชีวิตวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบ กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วันนี้วัดพระวัดเราบางตานะลูกหลานเพราะว่ามีกิจนิมนต์ไปสองแห่งไปที่อำเภอกุดจับก็หลายองค์ไปที่นาคำน้อยนี่ก็เก้าองค์แต่ตามไม่จริง เจ้าภาพก็ได้มนหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้ออกนอกวัดไปก็เดี๋ยววัดไอแต่หลวงพ่อพูดังฉเฉลต์ยังติดคออยู่ก็ะแอมอยู่เรื่อยๆถ้านัน่งรถไปนานๆนั่งรถแอร์อีกต่างหากเจอร้อนเจอเย็นสุขภาพ สรุปแล้วก็รถไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะนำไปใช้งานเราต้องดูไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าเจ้าของรถพอเราใช้รถมาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีเรารู้ว่ารถของเราเนี่ยพร้อมขนาดไหนแต่เราไม่พร้อม เราเอารถออกไปใช้มันไปตายครึ่งทางหรือว่า ม, มันมีปัญหาอุปสรรคในการใช้งานมันก็น่าตำหนิจเจ้าโซเฟอร์มันกันนะทำไมรถไม่พร้อมที่จะใช้งานจึงเอาหมออ อ, ออกมาใช้งานเพราะนั้นหลวงพ่อต้องระมัดระวังจะไปน่าจฐานที่ใดมันไม่พร้อม แต่เจ้าภาพเขาก็อยากจะให้ไปทุกแห่งทุกคนนั่นแหละแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็เคยบอกเคยกล่าวมาหลายครั้งว่าพระในวัดของเราถ้าไม่จําเป็นจริงหลวงพ่อจะไม่ให้ออกจากวัดนอกวัดเพราะเหตุไรเพราะว่ากิจนิมนต์มีจะทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะ พระบวชมาในพระพุทธศาสนามาตัดหมดทุกอย่างนั่นเออยากจะรวยเหรออยากจะรวยในเป็นการเป็นพระเหรอก็ไม่น่าจะใช่ถ้าอยากจะรวยก็นู่นไปทามาค้าขายแบบคารวะเขานน่นอันนั้นคือการทำมาหาเลี้ยงชีพในการทามาค้าขายรวยแต่เราเป็นพระเน่ยเราก็ต้องตั้งใจรักษาศีลภาวนาปฏิบัติ ดูจิตดูใจของตนเองอันนี้คือหน้าที่ของพระมันคนละหน้าที่กันท่านหน้าที่ของเราอยากจะรวยอยากจะมือมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์คนยกย่องในการหาเงินครับรับสมบัติเราก็ต้องออกไปทางนั้นถ้าว่าเรามุ่งหวังธรรมวังมุ่งหวังทางพ้นทุกตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ เราต้องก็ามาบวชบวชเราก็ต้องไม่ต้องสแสวงแต่ถ้ามันมามีมาเออเอาใช้ตามอัตภาพใช้ทางความจําเป็นใช้ตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ว่านะสันนวัดวสันทุถีปรมางทนังความสันโดษเป็นทรัพอันปิดเสริฐเราอยู่แบบสันโดดเป็นพระ เพลิเพลิยังมีอภิชาตาด้วยเป็นผู้มักน้อยอีกต่างหากในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นท่านให้เป็นพระเมื่อเป็นพระหน้าห น, น้าที่พระคือหน้าที่ย้ำทำอย่างไรเนื้อปเป็นคราว่าทําหน้าที่อย่างไรเมื่อเป็นพระแล้วเราควรทําหน้าที่อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะทบทวนนะทบทวนโอปัญิโก มองดูตนมองดูตนเองอย่างที่หลวงพ่อรพูดนะมันคราววาดกับพระนะมันต่างกันถ้าคราวาดถ้าทำมาค้าขายถ้าได้วัตถุมามากส่งข้าวต่างประเทศส่งสินค้าไปต่างประเทศผลิตขึ้นมาแล้วก็ส่งออกนอกไปขายต่างประเทศได้กำไร แต่โวกพระทั้งหลายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราจะไปส่งจิตส่งใจออกนอกไม่ได้นะขาดทุนนะต้องใจต้องอยู่กับตัวเองต้องเป็นสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดนั่นแหละคือกำาไรของพระนะำกำกไรของทางทางโลกนะอีกอย่างนึ่งกำไรของพระนะอีกอย่างนึ่ง นะ่ะมันผลกำไรมันมัน แ, กแตกต่างกันอย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายแห่งรู้จักวิธีการเป็นพระวิธีการเป็นครวาต์ครวาต์ต้อง ส, สแสวงหาทรัพสมบัติเลี้ยงชีพบัดด้วยปัจจัยสี่ต้อง ส, สแสวงหาปัจจัยสี่แต่ถ้าหาว่าผู้ใดข้ตาม เมืแต่ส่อะแสวงหาปัจจัยสีหลับหูหลับตาเมืม่แต่ส่อแสวงหาปัจจัยสีได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านว่าตัวเองฉลาดก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรมันต้องไฟในการกุศลด้วยการสะ่อสะแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นในระดับหนึ่งแต่เมื่อถึงคราวหนึ่งเราควรจะสะ่อะแสวงหา สิลธรรมเข้าสู่จิตใจด้วยถ้าพวกเราคิดดูให้ดีอย่างที่หลวงพ่อพูดเงินทั้งหลายส่งถึงโรงพยาบาลพี่น้องทางหลายส่งถึงเมนนี่ปัจจัยสีก็เหมือนกันถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอาหารการบริโภคครบครบทุกหมู่ ยาแก่โรคภัยไข้เจ็บประเทศไหนที่ว่าดีที่สุดสั่งเข้ามาเพราะเรามีเงินผ้าห น, นุ่งผมสวยงามขนาดไหนดีที่สุดเอามาใชา้สร้างบ้านให้หรูหราโออาขนาดไหนสร้างให้ร่างกายอยู่เพราะเรามีเงินถึงจะทำหรูหราโออาขนาดไหนร่างกายนี้ยยังเป็นอื่นอยู่เสมอ พอเลี้ยงไปเลี้ยงไปเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วกันฟันหลุดตาฝ้าฟางหูตึงหนังเหี่ยวหนังหลังค่อมผลในสุดไปนอนโรงพยาบาลนอนอยู่ในบ้านก็เถอะถ้ามีเงินก็สั่งแพทย์สั่งหมอเข้ามารักษาอยู่ที่บ้านของตนเองเนี่ยถึงยังไง เ, เงินก็ใช้ได้ เลี้ยงดีขนาดไหนก็ตือร่างกายของเรายังเป็นอื่นอยู่เสมอผลที่สุดมันก็ถึงจุดจบของมันเหมือนกันนี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าถึงเราจะเลี้ยงดีขนาดไหนเลี้ยงร่างกายแต่อย่าลืมทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจในสําคัญกว่าในหลักของพุทธศาสนาแล้วนะเรื่องปัจจัยภายนอกพอให้เป็นไป อย่าให้ขาดตกบกพร่องถึงเราจ ะ, ส ะ, สะแสวงหามาก็เออเอาเรามีความสามารถเราเฉลียวฉลาดส ะ, สะแสวงหามาก็ให้ลูกหลานของเราเผื่อลูกหลานด้วยแต่เราจะไปสวัสะวงแบบไม่หลับหูหลับตาตําบีตะบันม่ตะหาเงินเพื่อจะให้ลูกให้หลานตัวเองมีความสุข แต่ลูกหลานของเราบางคนพอได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วโอ้ทำไมพ่อแม่ของเราโง่จริงๆวะไม่รู้จักใช้เงินมาถึงเราแล้วเราจะใช้มันหมดทำไมเห็นไหมพ่อแม่ตายไปแล้วมีแต่ทิ้งไปมีแต่งกงกกันงานมีแต่ขี้เหนียวไม่รู้จักใช้เงินเลยเราจะใช้ให้เต็มที่แล้วจะใช้เงินของพ่อแม่ เอาไปเที่ยวไปเตรการพนงการพนันถลุงเลยอย่างนั้นก็มีมากต่อมากบางทีตัวเองยังไม่ตายเงินหมดก่อนนั่นแหละพ่อแม่สสแสวงหามาด้วยทบทุกข์ากยากลำบากก่อจะได้เงินมาแต่พอมาถึงพวกลูกนั้นเอาไปถลุง ท, ทิ้งามากต่อมากพวกเราก็คงจะเคยเห็น แต่บางคนก็ใช่ก็ยังประครับประคองจะให้เผือนเหมือนพ่อแม่ก็ยังไม่เหมือนอีกทั้งที่พ่อแม่หามาให้แล้วตัวเองจะต่อให้ใหญ่สูงขึ้นไปเนี่ยมันยากอยู่นะเน่แหละแต่ถึงยังไงก็ตามเราจะไปคิดถึงคนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองทุกาการโศแโงหาบา อ, อืเอ้าถ้าเขามีปัญญาถ้าเขามีบุญบารมีถ้าเขามีปัญญา เขาอาจจะเหนือกว่าเราก็ได้เราเอาหาไดขนาดนี้พอเถอะอย่างเลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงเขาให้ใ ห, ใหญ่โตสงเขาให้ถึงฝั่งเรียนหนังสือจบปริญญาตรีโทเอกตามความสามารถของเขาเพียงพอแล้วเราให้ความรู้กับเขาเต่บัดนี้เราควรจะโสแงหา คุณธรรมศีลธรรมจะได้ย่า ร, รมเข้าสู่จิตใจของเราเนเราก็นี่แหละตั้งใจภาวนาแหละท่านนตั้งใจภาวนาต้องการปฏิบัติอตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์แต่เรื่องทานเราไม่ต้องคิดหรอกนะถ้าว่าบางคนก็บอกว่านี้จะสอนให้ทานแต่ตามไม่จริง ทานมันก็เป็นส่วนหนึ่งศีลมันก็เป็นส่วนหนึ่งสมาธิปัญญามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันคนละแนวกันถ้าคนไม่มีทานไม่มีการทำบุญทำทานถ้าเกิดมาพบนายชาติหน้าก็เป็นผู้อดอยากอย่างเต็มเป็นพระหรันถึงท่านอย่าเป็นพระหรันแต่บินทบาทไม่พอฉันก็มีอยู่ในครั้งพุทธกาลเพราะอะไร เพราะอันกสงสานท่านไม่มีอเนกสงสานท่านไม่ยินดีในการทำทานโอ้ไปหายุ่งทนะํททานเสียสละเสียของนี่ไปพนั่งภาวนาเนี่ยท่านก็ไปนั่งภาวนาปฏิบัติของท่านท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลแต่ว่าอเนกสงสานไปบิณฑบาตไม่มีใครเสบาทให้ฉันเพราะอเนกสงสานไม่มีพวกเราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่ว่าทาทานล้วก็ทา รักษาศีล เ, เราก็รักษารักษาศีลก็คือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเรามีอะไรมีแต่ขาดดาไปหมดเกิดพบนายชาติหน้าเขาก็เบียดเบียนเราลังแกเราเนี่ยอันนี้สมศีลไม่คุ้มครองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควรจะศึกษาศึกษาและปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธ ให้ไปสายกลางนะดีที่สุดนะอย่าไปสุดตงข้างไหนข้างหนึ่งถ้าสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งนะไม่ดีไปตามสายกลางตามแนวแถวของพุท ธ, ธะทานก็ควรควรจะมีศีลก็ควรจะรักษาภาวนาก็ควรจะภาวนามีหนักมีเบาการภาวนาบางครั้งก็เล่นความเพียรไม่ต้องพูดกับใครเลยภาวนาอย่างเดียว หลบเปลี่ยนปลี่ตัวออกไปภาวนาเอาจริงจังแต่บางครัง้งเอยกลับมาพบกับหมู่พวกเพื่อนดูกิจจะวัดคอวัดทำไปแต่บางครัง้งเอ้เปลีกตัวไปภาวนาดังนั้นแหละมีหนักมีเบาการภาวนาการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเออละเฮยลอยลมเออละเฮยลอยลมไปเรื่อยไม่มีจุด อไม่มีจุดหนักจุดเบาไม่มีการเร่งไม่มีการอภาวนาจะได้เหรอเหมือนกับรถของเรานะ่ะนะเวลามันทางมันครุกแลอวรถมันมากเราก็ค่อยๆไปนี่ค่อยๆค่อยๆไปแต่พอมันถนนโล่งแล้วแต่ถนนมันโลง่งมันโปร่งเลยเราอยังไปค่อยๆไปอยู่อย่างนั้นเหรอฮะ ค่อยตะ ต, ดตะุดตลุดตลาดตะลตลาดไปอย่างนั้นละ่ะมันก็ไม่น่าเจอชายอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเมื่อรถมันติดถนนมันไม่ดีเราจะเหยียบพันเล่งตะบี้ตะบันอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้จักจังหวะในชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าชีวิตของเราเราจะเดินยังไงเมื่อเราเป็นน้อยเป็นหนุ่ม เราก็ขอแ ส, ว, ส, ว, สวงหาทรัพย์สมบัติในเมื่อสูงอายุขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะปล่อยวางบ้างจุดนั้นเราก็ควรหันหน้าก่ต่อศีลธรรมจริยธรรมไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาเป็นจังหวะเป็นระยะเพื่อหาทางพ้นทุกข์ของตนเองเพื่อสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะมันต้องรู้ส ใช้สติใช้ปัญญาใช้ปัญญ า, าการวางแผนชีวิตของตนเองการวางแนวแถวความคิดของตนเองอ น, นเพราะนั้นเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลเราจะไปจุดโตงข้างใดข้างหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญถว า, ายทานตะบีตะบันก็ไม่ไม่น่าจะถูกถ้าเราจนอยู่เรารักษาศีล ใช่มันก็ถูกนะ่ได้ทานรักษาศีลทำอะไรก็ทำถูกแต่เราต้องต้องดูสถานะสถานะของเราเราควรจะถัดตัวยังไงแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าเน่ว่าศีลห้าเนะี่ยพอเหมาะสำหรับฆราวาดไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้เบียดไม่ได้รังแกใครมีธรรมตนให้เป็นคนดีศีลห้าเนะี่ยแล้วก็ให้ทาน ดูแลพ่อแม่ที่ผู้อยู่ใกล้ชิดดูแลพ่อแม่ของตนเองบ่งสาขนายาธของตนเองอย่าให้เดือดร้อนอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นเราก็เมื่อมีโอกาสกับทําบุญกับสมณะผู้ปฏิบัติผู้ทรงศีลเป็นบางครั้งคราวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนี่อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของกระว اة แต่เรื่องศีลธา ท่านจะพยายามเน้นหนักออย่าเบียดเบียนอย่าขโมยพวกเราทิศสัยของพวกเราก็ไม่มีอยู่แล้วล่ะในของพันนั่นน่ะแต่บางครั้งมันก็ตะลําไปบ้างบางทีก็จําเป็นโกเรื่องโกหกเนี่ยนะยาปากคอกนะเรื่องโกหกในะยาปากคอกอืบางทีก็เพื่อเอาตัวรอดบางเพื่ออะไรบางแต่ตามไม่จริงเราก็มีถ้าเราใช้มีถ้าเรามีปัญญา เราก็ใช้กุสโลบายก็ได้มีมากมายถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพุทธะแล้วถ้าสิ่งไหนก็ตามที่มันจะอันตรายที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยเราก็บอกไม่โพดไม่แสดงความคิดเห็นเราสงวนสิทธิเราจะไม่รับรู้รับทราบในเรื่องไม่เป็นเรื่องหยุดใครจะมาถามเราละแต่พอเรา ไม่รับรู้รับทราบ เ, เราไม่เพราะเราสงวนจิตรเร า, เ อ, าอุเัตนเสียแต่วันเรื่องนั้นมันเกี่ยวข้องกับเราจังๆถึงจะตัดจิตขนาดไหนไม่สงวนจิตขนาดไหนเขาก็ต้องจัดการกับเราเพราะอะไรเพราะเราไปทําผิดมาสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องยอมรับแ่ะมันผิดมันก็ต้องว่าตามผิดถูกมันต้องหวาตามถูกอแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องของ ชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงได้ยินมาเท่าไหร่ใบไม้พัดลมมัออกมาพูดมากล่าวอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องอันนั้นเราไม่ควรจะเกี่ยวข้องเราควรจะดูตนเองนี่แหละการวาจาหรือคาพูดของตอนเองนะส่วนหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้อยู่ในกรอบของศีลธรร ม, มวางตัวให้ทุก เมื่อสมัยเป็นน้อยหนุ่มเราวางตัวอย่างไรเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัววางตัวอย่างไรเมื่อเท่าแก่ชลามาแล้วเรากวนวางตัวอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อได้พูดหมดเนี่ยเราใช้รถมานานเราจะเอาไปใช้ยังไงดูรถของเราเรารถของเรามันเป็นยังไงมันพร้อมไหม ถ้าไม่พร้อมจะใช้งานเราเอาไปใช้งานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่ก็เหมือนกัน เ, เมื่อเรามาอยู่จุดนี้เราควรจะทำอะไรไปที่ไหนไม่ได้กันภาวนาไหว้พระเสร็จแล้วก็ น, นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีสติอยู่กับตนเองนั่นแหละบุญกุศลมหาศาลนะอย่างพิกจุนีนะครั้งพุทธกาล มีพกปิจุเน่มีลูกหลายคนเขาท่านก็เป็นคนรวยบ้างนะจากนั้นก็ลูกก็แต่งงานพาแต่งงานกลับมาแย่งสมบัติกันเลยท่านก็มันรู้จักเอาแบงให้ถ้าแบงให้แต่ไม่รู้จักพอเลยพวในส่วนก็นไปอยู่กับใครกันมีแต่ยุ่งยากทั้งหมดข่าไปอยู่กับหัวเขาแล้ววะนะ่ะ ข้าไปบวช ด, ดีกว่านะเป็นภิกษุณีเป็นผู้หญิงนะเป็นยายแก่อายุถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีเข้ามาแล้วพอไปบวชเสร็จแล้วท่านเองก็กางคืนก็เดินอยองกลมไม่ได้เพราะไม่มีไฟใช่ไหมเพราะเดินเข้าไปมันก็ไม่รู้จะเดินไปไหนหะัว ก, ก็จะหกล้มท่านก็ไปยืนไปเดินอยองกลมอยู่ที่เสาสาลานะ เสาลาเป็นพื้นมันเรียบมันนะเป็นเผาสลาอย่างเนี้ยพื้นเรียบๆอย่างนี้แล้วเอามือขวาเนะกาะต้นเสาเอามือขวาตอกเกาะต้นเสาเดินจงกลมเดิ น, อดอนรอบต้นเสาเดินช้าๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทธท่านชอบเล่งความเพียรไงยายแก่คนนั้นภิกชุณีแก่คนนั้นนะ ท่านเดินเกือบทั้งคืนนะเดินจนเหนื่อยดูจิตใจคนตนเองการเคลื่อนไหวท่านไม่ได้เดินยกลบยาวนะเพียงแต่องมือข้างขวาเนะกาะต้นเสาแล้วก็เดินรอบรอบ ล, ลักษณะเวียนพระทักษิณอย่างดังนั้นเวียนขวานะพทุพโทโธพระโถแล้วมีสติอยู่ในการก้าวเดินกำหนดลมหายใจจากนั้นก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านก็เกิดความเหลื่อหน่ายคลายท่านก็เลยเป็นพระอรหันต์นี่แหละนี่ในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าท่านพูดในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเมื่ออายุมีอายุขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในการเป็นอยู่อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดเหมือนกันนะเพราะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องถึงจุดจบอย่างที่พวกเราท่านได้เห็นทั้งหลายได้เห็น มาถึงจุดนี้แล้วหลวงพ่อได้ยินแต่คนตายอแต่สมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มะอคนตายกเราก็ได้ยินอยูุแต่มันห่างเขาแต่ตอนี้พอมันถึงจุดนี้เนละมีแต่อญาติโก้โอติกาผู้ที่รู้จักมรคนคนนั้นไปคนนี้ไปคนนี้ไ ป, ไปพรามันเราขึ้นมาอยู่จุดนี้นะ่ะอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเนะี่ยโอ้เออเหมือนกับใบไม้เหลืองมัน ร่วงร่วงหล่นไปตามอายุสังขารของมั น, เ, นเพราะนั้นสิ่งเหล่านีน้เอ้ยเราเราจะประมาทนะเตรียมเตรียมพร้อมไว้นะอย่างประมาทนะเรานะ เ, เราอยู่ในสถานนี้สถานนี้พร้อมที่จะร่วงหล่นได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่วันไหนนะเรานะนี่แหละอันนี้คือเราพยายามเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอนะเราไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทอออัะไรจะเกิดก็ต้องเกิดละ่ะ จะ้ทำยังไงได้เราเกิดมาแล้วนะแต่ถึงยังไงเราจะพยายามทำคุณงามความดีสร้างบุญกุศลให้ดีที่สุดอยากให้ได้อยากให้ขาดตัวปกพ้องเราก็รู้อยู่แล้วนะ่ะมันจะถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งเราจะเผลอเลอเราจะชลาใจไม่ได้เด็ดขาดน่แหละให้พวกเราทุกๆุกท่านนะก็่ า, า, า, า, าจะทายโยรทุกคนพระเนรทุกองให้ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลทำบุญกุศลเขา สู่จิตสู่ใจของพวกเราแล้วน ะ, ะเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลแล้วน ะ, ะไปที่ไหนก็ไปเถอะทีเงินเต็มกระเป๋าแล้วน ะ, ะ, ะเป็นพระหันแล้วนะถึงจะไม่เป็นพระหันก็เป็นพระอริยะบุคคลแล้วนะอยู่ที่ใดเป็นสุขทั้งนั้นแหละน ะ, ะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พระละพรณทีตนีนะ